รตตรกราบบูชาพระธนตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ <c oughs> ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อกำเขียนถวายความกรบมายังพระจาจารย์สุรินพระจาจารย์ตุ้มพันเทเพื่อนสาธมิกเจริญพรมายั ง, มยงแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาทุกท่าน <c oughs> ก็นั่งกันตามปกตินะ <c oughs> วันนี้ก็เป็นเช้าวันศุกร์ที่2ี่ลุ่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558นตรงกับวันขึ้น4ค่ขึ้มเดือน4ปีน่าจะเป็นปีมะเมียยังไม่ปีมะแม่ก็เป็นกิจวัตรประจำวันของพวกเราที่อยู่วัดป่าสุกโต นะตื่นเช้ามาก็มาไหว้พระสวดมนตนะ์มาฟังธรรมกันนะก็เป็นการประกอบกุศลกรรมนะในรุ่งเช้านะซึ่งก็เป็นมงคลกับชีวิตนะการที่เราตื่นเช้าขึ้นมานะมาชำระล้างนะจิตใจนะที่อาจจะมีอะไรตกตะกอนอยู่ นะแล้วก็ <c oughs> มาไหว้พระสวดมนต์กันนะก็คงจะได้สัมผัสนะกับความสงบนะความชุ่มชื่นใจนะการมาไหว้พระสวดมนต์เนี่ยการได้น้อมระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ได้สาธยายมนนะก็เหมือนเป็นการประพมนะ้ำที่เป็นความชุ่มชื่ น, นกับจิตใจนะเหมือนกับน้ำฝน นาะที่โปรยปลายลงมานะหลังจากที่อากาศร้อนอบอ้าวแผ่นดินแตกละแหงนะต้นไม้ใบหญ้าเ ห, เหี่ยวแห้งไปนะได้รับฝนหนะ้าที่โปรยปลายลงมาเมือ่อเมื่อวานเมื่อวันซืนนะก็ทำให้ชุ่มชื่นนะบรรยากาศของป่าไม้นะก็สดชื่นขึ้นนะพวกสิงสารสัตว์ทั้งหลายก็ร้องกันเสียงระงมนะอันนี้ก็เป็น ความเป็นบรรยากาศนะที่ทําให้เราได้สัมผัสนะกับความสุขความสงบนะของสถานที่แล้วก็ได้สัมผัสกับความสุขความสงบนะภายในจิตใจนะก็ถือว่าบรรยากาศที่นี้นะเป็นบรรยากาศที่ชวนให้เราเนะได้มาสัมผัสนะได้มาดื่มด่มนะแต่ก็อย่าไปจมอยู่กับอารมณ์เหล่านี้ ให้รู้เท่าทันด้วยนะซึ่งสิ่งนี้เนี่ย เ, เมื่อวานได้ฟังมีบางคนบางท่านนะก็ได้พูดว่ า, าส่วนใหญ่ที่เขามาเนี่ยก็เพราะว่าเขามีเรื่องร้อนอกร้อนใจนะมีความกลุ้มอกกุ้มใจนะอยู่ที่บ้านนะก็หาทางหลบภัยนะมาที่วัดป่าสุกโตสักพักนึงนะแค่เข้ามาที่หน้าวัด นะมาสัมผัสกับบรรยากาศที่สงบเย็นเนี่ยก็ทําให้เขาหายร้อนรุ่มนะหายความกุ้มกุ้มใจลงไปนะนี้ก็อาศัยสภาพแวดล้อมนะของวัดป่าสุกโตทั้งบรรยากาศของป่าไม้บรรยากาศของผู้คนนะที่เราอยู่ร่วมกันนะอย่างสันติสุขนะตรงนี้ก็ช่วยทําให้หลายคนนะได้รับประโยชน์ จากการมาวัดป่าสุกโตนะอาศัยสภาพแวดล้อมอาศัยบรรยากาศนะก็ทำให้สงบเย็นนะจิตใจสงบเย็นรู้สึกสบายนะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับประโยชน์นะจากการมาวัดป่าสุกโตแต่ความสงบเย็นเหล่านี้เนี่ยเราอย่าแค่ยินดีเพียงแค่นี้นะมีหลายคนเข้ามาสงบจิตสงบใจ นะม า, าได้พักผ่อนะแล้วก็กลับไปมีกําลังมีพลังกลับไปนะก็รู้สึกสบายใจทีนี้มันขาดสิ่งหนึ่งไปก็คือว่าเราไม่ได้มาเรียนรู้ไม่ได้มาฝึกฝนกายใจของเรานะโดยเฉพาะการเจริญสติเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่มีเครื่องมือนะในการที่จะไ ป, ปะเผชิญกับความร้อนรุ่มนะของสังคมของโลกของครอบครัว ของเศรษฐกิจการเมืองอะไรต่างๆนะกลับไปก็ยังร้อนลุ่มเหมือนเดิมอีกนะก็ต้องวิ่งกลับมาวัดผาสุก โ, โตอีกนะวิ่งกลับไปวิ่งกลับมานะตรงนี้เพราะว่า <c oughs> เราอาศัยบรรยากาศสภาพแวดล้อมข้างนอกนะทำให้เรามีความสุขนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสภาพแวดล้อมข้างนอก นะแล้วเราก็ต้องอาศัยเงื่อนไขนะของเวลาของสถานที่นะซึ่งก็ก็มีประโยชน์นะไม่ใช่ไม่มีประโยชน์แตนะ่ถ้าจะให้มีประโยชน์มากขึ้นนะควรที่จะได้ฝึกฝนตัวเราเองนะได้เจริญสตินะตามแนวของครูบาอาจารย์หรือที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านได้พูดเอาไว้ได้นำเสนอเอาไว้ นะได้ท้าทายเอาไวนะ้ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรามาวัดป่าสุก โ, โตนะแล้วเราเพียงแค่สงบจิตสงบใจชั่วครั้งชั่วคราวนะมาอยู่สบายๆนะแล้วไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยนะเราก็กลับไปนะโดยจิตใจที่ยังไม่มีเครื่องมือนะยังไม่มีเรียกว่าเครื่องมือที่จะไ ป, ปะเผชิญ นะกับความร้อนรุ่มความไม่แน่นอนนะของสภาพแวดล้อมของบุคคลของสิ่งต่างๆนะโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้การโฆษณาชวนเชื่อมีเยอะมากโฆษณาชวนเชื่อให้เราซื้อให้เรากินให้เราเสพให้เราบริโภคนะเรียกว่าใช้จ่ายเงินกันไม่พอเงินที่หามาก็ไม่พอแล้วก็ปลุกกระแสะความอยากความต้องการไม่รู้จักจบจากสิ้นนะสิ้นตรงนี้เนี่ย ก็ทาให้เราต้องร้อนรุ่มทาให้เราต้องมีความทุกข์นะเซ็งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะถ้าเรามาวัดป่าสุก โ, โตแล้วนะไม่ได้มาฝึกเจริญสติไม่ได้มาฝึกเรื่องของกรรมฐานก็ดีนะเพียงแค่มาหลบภัยสบายๆชัว่วคราวแล้วออกไปนะตรงนี้ก็เรียกว่าไม่มีเครื่องมือ ทีนี้การที่มาวัดป่าสุกโตเนี่ย <c oughs> เราหลบภัยแล้วนะจิตใจเราสงบเราสบายเราผ่อนคลายนะจากความร้อนรุ่มความกลุ้ม อ, อกกลุ่มใจหรือปัญหาต่างต่างมันก็เริ่มคลี่คลายลงไปโดยเฉพาะความหนักอกหนักใจนะความหนักอกหนักใจมันเบาใจขึ้นมันสบายใจขึ้นตรงนี้เนี่ยเราอย่าพึงนิ่งนอนใจว่าเออเราสบายแล้วเนาะเรา ไม่มีปัญหาแล้วนะถ้าตราบใดเนี่ย <c oughs> ละถ้าเรายังจมอยู่กับอารมณ์เหล่านี้ยังชื่นชมนะ่ะหมายถึงว่าประมาทนะประมาทไม่ฝึกฝนตนเองไม่พัฒนาตนเองก็จะทำให้เราเนี่ยเสียโอกาสไปเพราะนั้นการมาวัดป่าสุกโตเนี่ยเมื่อเราสบายสงบนะเราพยายามใช้โอกาสเนียฝึกฝนตัวเราเอง นะเพื่อที่อะไรเพื่อที่ให้สิ่งที่มันหมักหมมอยู่ในใจความเคยชินนะความเคยชินที่จะติดหรือรักสุขเกลียดทุกขนะ์หรือความเคยชินที่จะคิดคุ้นคิดเรื่องราวต่างๆนะที่เราคุ้นเคยนะในสังคมในชีวิตนะในกิจาการต่างๆเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความเคยชินแล้วมันห ม, มักห ม, มมอยู่ในใจ โดยที่เราไม่รู้โดยที่เราไม่ <c oughs> ไม่ตระหนักนะเพราะนั้นการมาอยู่ในที่สงบสงบเนี่ยก็ทำให้สิ่งเหล่านี้มันอาจจะนอนเนื่องอยู่เฉยๆแล้วเราก็รู้สึกสบายนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ เ, <c oughs> เราเผลอไปเราประมาทไปนะเราไม่พัฒนาเราไม่ทำให้มันจเจริญขึ้นนะพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ว่า <c oughs> พึงสันโดษในการกินการอยู่นะก็คือพอเพียงพอเหมาะพอดีแต่ไม่พึงสังโดษในการประกอบกุศลกรรมก็คือสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเนี่ยเราไม่พึงหยุดไว้แค่นี้นะเรามาอยู่วัดเรามาบวชหรือเรามาใช้ชีวิตในในวัดนะมันก็เรียกว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็ชวนให้เราทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะไม่ว่าจะมาให้ทานรักษาศีล น, นะ หรือการบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะแต่เราอย่าพึ่งพึงพอใจเพียงแค่นี้เราต้องทำภาวนานะทานศีลภาวนา <c oughs> ภาวนาก็คือพัฒนาพัฒนาอะไรพัฒนาจิตนะพัฒนาจิตพัฒนาใจนะให้อยู่เหนืออารมณ์ความคิดปรุงแต่งนะซึ่งอารมณ์และความคิดปรุงแต่งเหล่านี้เนะี่ยเป็นสิ่งที่ <c oughs> มันเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยนะเราก็จะตกอยู่ในอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายความยินดีความยินร้ายความพอใจความไม่พอใจซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ย <c oughs> เป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยนะมันก็จะทำให้เรามีความสุขมีความทุกขนะ์แล้วก็ทำให้เราเนี่ยหัวหมุน นะหรือว่าหนัก อ, อกหนักใจนะกับสิ่งต่างๆที่มากระทบนะไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ใจนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยนะจิตใจของเราก็จะขึ้นขึ้ น, นลงๆมีอะไรที่ถูกใจมีอะไรที่พอใจเราก็ฟูนะใจมันฟู มีอะไรไม่ถูกใจมีอะไรไม่พอใจกระทบกระเทือนใจก็แฟบนะหรือหอเหี่ยวหดหูนะตรงนี้เนี่ยก็เป็นสภาพของจิตใจที่ไม่เป็นปกติทีนี้ถ้าเรามีสติเราจเจริญสติ <c oughs> เราฝึกฝนเรียนรู้ทั้งสุขและทุกข์ <c oughs> สุขเราก็รู้รู้เท่ารู้ทันทุกข์เราก็รู้รู้เท่ารู้ทันนะแล้วก็ไม่เข้าไป เป็นสุขเป็นทุกข์นะเพียงแต่เห็นมันว่าเออมันเกิดขึ้นนะแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็เปลี่ยนไปนะสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่คงที่ไม่ตายตัวแปรปวนเปลี่ยนแปลงไม่อยู่ในอานาจ <c oughs> ที่เราจะไปบังคับบัญชาหรือไปสร้าง <c oughs> ให้ขึ้นมาได้ <c oughs> ตรงนี้แหละนะมันก็ทําให้จิตใจของเราเนี่ยไม่ฟูไม่แฟบ เป็นจิตใจที่เป็นปกติเป็นปกติเฉยๆนะหรือเรียกว่ารู้ซื่อๆนะคําว่าเฉยๆในที่นี้ไม่ได้เฉยแบบซื่อบือ้อเฉยแบบไม่รู้เรื่องอะไรเฉยแบบเย็นชาไม่ใช่แต่เป็นเฉยแบบรู้นะเป็นใจที่พร้อมนะที่จะทําหน้าที่ทําสิ่งที่เกี่ยวข้องอย่ากถูกต้องเหมาะสมเฉพาะหน้าเฉพาะหน้านะซึ่งตรงนี้เนี่ย <c oughs> แกาทำให้จิตใจเนี่ยเป็นปกติเป็นชีวิตที่เป็นปกติสุขนะเรียกว่าเป็นชีวิตที่ไม่ฟูฟูแฟบๆ ฟ, ปฟปเป็นชีวิตที่ <c oughs> มีสุขที่ประนีตนะเป็นสุขที่เกิดโดยธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนะเป็นปกติสุขนะเรียกว่าตรงนี้ก็จะเป็นเป็นชีวิตที่สงบเย็นคาว่าสงบเย็นในที่นี้ สงบเย็นในที่นี้ไม่แน่หมายถึงสงบแบบนิ่งแล้วไม่คิดอะไรไม่ใช่นะสงบแบบตื่นรู้สงบมีสองอย่างสงบแบบตื่นรู้กับสงบแบบไม่รู้อะไรนะส่วนใหญ่การฝึกกรรมฐานเนี่ยส่วนมากจะไปนเน้นให้สงบแบบไม่คิดอะไรนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นการกดข่มไปนะเลืออาศัยการพักชั่วคราวนะเป็นเพียงแต่ <c oughs> ทางผ่านเท่านั้นเอง แบบน่ประนการฝึกเนี่ยเราฝึกให้ตื่นรู้นะจะลืมตาหรือจะหลับตาก็ได้นะอันนี้ก็เป็นแล้วแต่นะแต่ว่าการฝึกจเจริญสติแนวเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะไม่เน้นการหลับตานะเราลืมตาเราประเชิญกับสิ่งแวดล้อมนะด้วยใจที่ตื่นรู้แล้วก็ <c oughs> เราไม่ได้ติดนะในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง นะจะสุขก็ดีจะทุกข์ก็ดีรู้เท่ารู้ทันแล้วผ่านอารมณ์เหล่านี้การผ่านก็ด้วยการกลับมารู้สึกตัวนะตรงนี้เป็นจุดใหญ่กลับมารู้สึกตัวที่กลายกลายเคลื่อนไหวการรู้สึกตัวที่กลายเคลื่อนไหวนี่แหละเป็นหลักให้กับใจนะไม่ถลำลึกลงไปในอารมณ์ต่างๆการอยู่ใน <c oughs> สาภาพแวดล้อมที่สงบสงบนะเราก็ รู้เท่ารู้ทันกับความสุขที่เกิดขึ้นความสงบที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ไม่ติดในความสุขความสงบนี้รู้เท่ารู้ทันนะเสพได้ไม่ติดนะ้วก็ผ่านนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่รู้เท่าทันเราก็จะติดหนึบนะอยู่กับความสุขความสงบนะของสถานที่เวลาเราลงไปใน <c oughs> ในตัวเมืองหรือไปในสังคม คนที่ติดสงบเนี่ยก็จะรู้สึกวุ่นวายใจรู้สึกไม่ค่อยสบายนะแล้วก็อยากที่จะมาอยู่ในที่สงบสงบซึ่งตรงนี้เนี่ย <c oughs> มันก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยนะมีข้อจำกัดมีข้อจำกัดในเรื่องของสถานที่แต่ถ้าเราฝึกฝนนะจิตใจของเราให้อยู่เหนือกับอารมณ์เหล่านี้สุข ก, กด็ดีทุกข์กดีรู้เท่ารู้ทันมันแล้วไม่ไปจมลึกอยู่กับมัน นะไม่ไปดื่มดำอยู่กับมันจนเกินไปรู้เท่ารู้ทันเพราะฉะนั้นเราไปที่ไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้เป็นปกติสุขนะซึ่งตรงนี้นะมันจะตรงกับคำที่ว่าเป็นอากาลิโกนะธรรมะที่แท้จริงคือไม่จำกัดการเวลานะไม่จำกัดสถานที่นะซึ่งตรงนีน้ก็เป็นประโยชนนะ์ที่เราจะได้รับจากการที่เราได้ฝึกฝน ได้อบรมตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องการเจริญสตินั้นนะอย่าเพียงแค่ทําในรูปแบบแม้การใช้ชีวิตในกิจวัตรประจําวันก็พยายามเนาะที่จะใส่ใจเจตนาที่จะรู้สึกตัวกับสิ่งที่ทําอยู่เฉพาะหน้าจะเป็นการทําครัวก็ดีกวาดใบไม้ก็ดีเช็ดกวาดปัดถูห้องก็ดี อาบน้ําแปลงฟันนะกินอาหารรับทานอาหารนุ่งห่มต่างๆหรือแม้แต่การไปบินธบาดนะการไปบินทบาติการไปเดินนะตรงนี้ก็ให้มีสตินะชวยโอกาสนะเรียกว่าฉ่วยโอกาสที่จะรู้สึกตัวบ่อยๆแน่นอนบางทีมันก็เผลอไปบ้างไม่เป็นไรเผลอไปกลับมารู้สึกตัวใหม่เริ่มต้นใหม่เรื่อยๆ ความรู้สึกตัวการเจริญสติให้มันใหม่สดอยู่เรื่อยๆทำบ่อยๆทำเรื่อยๆตั้งแต่ตื่นยันหลับนะตรงเนี้มันจะเป็นการพัฒนานะเป็นการช่วยให้ใจของเราเนี่ยอยู่กับเนื้อกับตัวนะความรู้สึกตัวเนี่ยจะช่วยทำให้เราออกมาจากอารมณ์ออกมาจากความคิดปรุงแต่งนะที่เกิดขึ้นเป็นขณนะขณะเป็นสิ่งที่เราจะได้ รู้เท่ารู้ทันเพราะฉะนั้น <c oughs> การที่เรามาอยู่วัดป่าสุกโต อ, นะอย่าไปพึงยินดนะีในการสุขสงบนะเนื่องจากสาภาพแวดล้อมเท่านั้นแต่เราควรจะใช้เวลานในการฝึกฝนตัวเราเองนะให้เรียนรู้ทุกๆอารมณ์การฝึกจเจริญสตนะิใหม่ๆ ม, มันจะเจออารมณ์ที่ หยาบหยาบก่อนโดยเฉพาะความง่วงความเบือ่อความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยนะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นความเคยชินนะที่มันหมักหมมอยู่ในตัวเรามันได้แสดงตัวออกมาสิ่งเหล่านี้แสดงตัวออกมาเนี่ยให้เรารู้เท่าทันมันนะแล้วก็อย่าไปจมอยู่กับมันนะอย่างเช่นฟุ้งซ่านเนี่ยบางคนฟุ้งซ่านมาฝึกใหม่ๆเอ๊ะทาไมมันฟุ้งซ่านจังเลย อยู่ที่บ้านเมนฟุ้งซ่านขนาดนี้เลยยิ่งฟุ้งซ่านเนี่ยนั่นหละดีเป็นธรรมะที่แสดงออกม า, าเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ชอบมันความไม่ชอบก็ทำให้เราอึดอัดจริงๆอะไรมันเกิดขึ้นเนี่ยเรียนรู้มันตรงๆด้วยความรู้สึกตัวใช้ความรู้สึกตัวหรือสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นตาในดูมันอย่าไปใช้ความคิดอย่าไปคิดรู้ล่วงหน้านะพระนั้น การเรียนธรรมะเนี่ยที่มันยุ่งยากส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ความคิดคิดนั้นคิดนี้คิดไม่จบไม่สิ้นแต่ถ้าเราใช้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่คิดเลยนะมันสัมผัสตรงๆมันรู้ลงไปตรงๆนะความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็รู้เท่ารู้ทันไม่ห้ามนะความคิดแต่ไม่ตามมันคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่ตามแต่ก็ไม่ห้ามกลับมารู้สึกตัวแต่ก่อนเมื่อเราไม่ได้ฝึกเนี่ย ส่วนใหญ่พอคิดอะไรขึ้นมาแล้วก็คิดตามมันไปเรื่อยคิดไปเรื่อยเปื่อยเรียกว่าไม่จบไม่สิน้นเป็นวัตสงสาราเรียกว่าไม่จบไม่สิน้นแต่เมื่อเรากลับมารู้สึกตัวมันจะตัดทันทีนเราไม่ต้องไปทำอะไรกับความคิดเลยเพียงแค่เปลี่ยนความสนใจจากความคิดมารู้สึกตัวใจมันก็จะคืนสู่ความเป็นปกติทาอย่างเงี้ยบ่อยๆเรื่อยๆไม่ว่าจะทากิจการอะไร ทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบจุดนี้เป็นจุดสำคัญให้กลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวบ่อยๆจุดนี้จะเป็นจุดที่พัฒนาหรือพานะให้ใจของเราเนี่ยคืนสู่ความเป็นธรรมชาติดั้งเดิมเป็นจิตใจที่เป็นปกตินะเป็นปกติสุขนะเมื่อใจเป็นปกติสุขแล้วเราจะทำอะไรก็ทำได้อย่างดีนะไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวงานส่วนรวม การบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆหรือการเกื้อกูลแก่สังคมต่างๆก็จะเป็นไปอย่างดาีแล้วก็มีโอกาสที่ผิดพลาดน้อยสติสัมปชัญญะมันจะประกอบไปด้วยสติและปัญญาอยู่แล้วเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อยากจะชักชวนเชิญชวนพวกเร า, าที่อยู่วัดป่าสุกตโตเนี่ยได้อย่านิ่งนอนใจ ว่าเรามีความสุขมีความสบายนอยู่วัดป่าสุกโตไม่ต้องคิดอะไรนมีถึงเวลาก็มีคนก็ทําอาหารมาให้เรากินนมีสถานที่ให้เราได้พักได้ผ่อนได้หลับได้นอนนมีบรรยากาศสภาพแวดล้อมนที่าให้เรามีความสุขเรียกว่ามีความสุขจากสิ่งแวดล้อมแต่เราควรจะพัฒนาหาความสุข ที่ได้จากการที่เรารู้จักปล่อยรู้จักวางเป็นความสุขที่ได้จากการฝึกเจริญสติผ่านอารมณ์ที่มันพลุ่งพล่านผ่านอารมณ์ที่มันร้อนรมกระสับกระส่ายผ่านอารมณ์ที่มันเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนแปรปวนเปลี่ยนแปลงตรงนี้จะเป็นความสุขที่ยั่งยืนนะเป็นความสุขที่เราสามารถจะนาติดตัวไปได้ไม่ว่าจะอยู่ที่วัดป่าสุกโต หรือจะกลับไปที่บ้านหรือจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามเรียกว่าอยู่ได้ทุกที่ด้วยใจที่เป็นปกติเพราะนั้นชีวิตอย่างนี้เนี่ยเป็นชีวิตที่เป็นปกติสุขแล้วก็ได้บำเพ็ญประโยชน์ชีวิตที่สงบเย็นเป็นประโยชน์ซึ่งตรงนี้เป็ น, เ ป, นเป้าหมายสูงสุดของการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนา เราเกิดมาเป็นมนุษย์เราคงไม่ใช่เพียงเกิดมาเพื่อที่จะเสพสุขนะเกิดมาเพียงแค่ให้เราได้สบายนะแต่ว่าให้เป็นชีวิตที่เป็นปกติสุขนะมีความสงบเย็นนะแล้วก็เป็นประโยชน์นะกับตนเองเป็นประโยชน์กับสังคมไปพร้อมๆกันด้วยนะตรงนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้อาจจะเรียกได้ว่า เป็นการชำระหนีนะ้ที่เราได้เกิดมานะพ่อแมนะ่ได้ให้เราเกิดมาครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนเรานะแล้วก็ธรรมชาตินะเกื้อกูลให้กับเราตรงนี้จะเป็นชีวิตที่เรียกว่าไม่เป็นหนีนะ้ถ้าเราทำได้อย่างนี้ก็ถือว่าชีวิตของเรานี้เกิดมาไม่เป็นหนี้ใครนะเป็นชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์นะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะ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 และประสงค์ก็คือการประพฤติปฏิบัติตนของเราตามหลักอริยมังเมียง8ปดโดยเฉพาะการเจริญสติได้ความเพียรความพยายามความอด ท, ทนของทุกท่านขอให้เป็นพระวะปัจจัยหนุนนำให้ทุกท่านได้สัมผัสนะกับความเป็นปกติของใจนะที่มีอยู่แล้วเพื่อให้ชีวิตเป็นชีวิตที่สงบเย็นเป็นประโยชน์ ในเรวันนี้โดยทั่วหน้ากันเถินเจริญพร